ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีความสําคัญยิ่งกว่าใจเพราะว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ในจักรวาลนี้ที่จะอยู่ไปได้อย่างถาวร น, นอกจากใจเพียงดวงเดียวใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นไม่มีวันสุด แต่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกในจักรวาลนี้ย่อมมีวันสิ่งมีวันหมดไปจิตใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะใจสามารถให้ความสุขกับเราได้ไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเอง แต่สิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่สามารถที่จะให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดให้ความสุขกับเราได้เพียงชั่วระยะหนึ่งแล้วก็หมดไปเราต้องคอยหามาเพิ่มมาเติมอยู่เรื่อยๆ เ, เพิ่มเท่าไหร่เติมเท่าไหร่ ก็ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอเหมือนกับเวลาที่เราเติมน้ำใส่ตุ่มที่มีรอยรั่วอยู่ถ้าเราเติมน้ำใส่ตุ่มที่มีรอยรั่วอยู่เติมไปเต็มตุ่มไม่นานน้ำก็จะหายไปไหลออกมาตามรอยรั่วต่างๆแล้วก็ต้องเติมให้มันเต็มใหม่ อันใดความสุขต่างๆที่เราได้รับจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วก็หมดไปหมดไปแล้วก็ต้องไปหามาใหม่เพราะเรายังต้องการความสุขอยู่แต่ความสุขที่เราได้ ภายในใจนี้จะเป็นความสุขที่จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆอยู่กับเราไปอย่างถาวนรนพอใจของเรานีนไม่มีวันสิ้นไม่มีวันสุดไม่เหมือนกับร่างกายที่มีวันสิ้นนละมีวันสุดได้อะไรผ่าน ได้ความสุขชนิดใดผ่านทางร่างกายมาพอร่างกายนี้ตายไปความสุขต่างๆที่ได้ผ่านทางร่างกายก็จะหมดไปพระพุทธเจ้าผู้ได้ตัดสู้ความจริงอันนี้จึงสละความสุขทางร่างกาย ไปหมดแล้วมาส่งสร้างความสุขทางใจให้เป็นความสุขที่ถาวรที่จะอยู่คู่กับใจไปตลอดก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาส่งตัดสรู้ผู้ที่ได้ค้นพบความสุขทางใจก็สามารถพบความสุขทางใจในระดับที่ มีวันเสื่อมมีวันหมดได้แต่พระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ส่งออกผนวชและทรงปฏิบัติจนได้ทาขั้นสูงสุดก็ส่งพบ ก, กับความสุขที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันเสื่อมเป็นความรู้ความสามารถของพระพุทธเจ้า เพียงพระองค์เดียวที่สามารถเข้าถึงความสุขที่ถาวรได้นั่นก็คือความสุขของมรรคผลนิพพานที่เป็นความสุขระดับต่างๆกันแต่ความสุขในแต่ระดับนั้นเป็นความสุขที่ได้มาแล้วจะไม่เสื่อมไป เช่นระดับของพระสูดาบันความสุขนั้นถ้าได้มาแล้วก็จะอยู่ไปตลอดแต่ยังมีความสุขของพระสกิดาคามีที่สูงกว่าที่มากกว่าที่พระสดาบันจะต้องเจริญจะต้องปฏิบัติสร้างขึ้นมาแล้วพอสร้างขึ้นมาได้ ก็จะได้ความสุขระดับที่สูงกว่าดีกว่าที่ไม่เสื่อมลงไปสู่ระดับของโสดาบันความสุขระดับของพระอนาคามีก็สูงกว่าความสุขของพระสกิดาคามีก็ต้องพระสกิดาคามีก็ต้องบำเพ็ญต้องสร้างความสุขของพระอนาคามีให้ปรากฏขึ้นมาในใจ พอได้แล้วก็จะไม่เสื่อมลงไปสู่ความสุขของพระสกิดาคามีหรือของพระสุดาบันแต่ก็ยังมีความสุขที่สูงกว่าระดับของพระอนาคามีนั่นก็คือความสุขของพระอารหันต์ความสุขของพระนิพพานเป็นความสุขที่เต็มเปี่ยมเต็มร้อยถ้าเป็นพระจันทร์ก็เป็นพระจันทร์เต็มดวง เป็นความสุขที่พระอนาคามีจะต้องสร้างต้องปฏิบัติให้ปรากฏขึ้นมาภายในใจพอได้ถึงระดับความสุขของพระอาหารหันต์ของพระนิพพานแล้วก็หมดที่จะต้องสร้างความสุขอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะไม่มีอะไรที่จะ มากไปกว่า น, นี้เพราะว่าเป็นบรลมสุเป็นปรมังสุขขังนี่คือความสุขที่ถาวรที่อยู่กับใจไปตลอดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายเช่นถ้าได้ความสุขของพระโสดาบันแล้วร่างกายต้องตายไป ร่างกายก็ตายไปเป็นเรื่องของร่างกายไปแต่ใจที่มีความสุขระดับของพระสวสดาบัล น, นี้ไม่ได้เสื่อมไปกับความตายของร่างกายไม่เหมือนกับความสุขของมหาเศรษฐีหรือของมหากษัตริย์เวลาที่ร่างกายตายไปความสุขของมหาเศรษฐีกับความสุขของมหากษัตริย์ ก็เสื่อมหมดไปตามความตายของร่างกายแต่ความสุขของพระสูดาบันที่มีอยู่ในใจนั้นไม่ได้เสื่อมตามไปกับความตายของร่างกายพอใจไปเกิดใหม่ใจก็สามารถที่จะบำเพ็ญต่อไปขึ้นสู่ระดับพระสกิดาคามีพระอนาคามีตามลำดับ ถ้าได้ถึงพระระดับพระอนาคามีแล้วเกิดร่างกายตายไปก่อนที่จะบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระอาหารหันต์พระอนาคามีก็ไม่ได้เสื่อมกลับลงมาเป็นโซยาบันหรือเป็นปุถุชนและก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไป จะไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็จะสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ตามลำดับต่อไปเพราะจิตใจของพระอนาคามีนี้ปราศจากกามราคคกามักปัญหาความอยากจเจียญรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจของพระอนาคามี พระอนาคามีได้ชำระจนหมดสิ้นไปแล้วจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาร่างกายไปหาตาหูจมูกลิ้นกายมาเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะเสษ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผุทัพระีก่อไปผู้ใดที่ยังต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเดรัจฉานก็ดี เป็นเทวดาก็ดีเป็นเปรตเป็นผีเป็ น, ปนสัตว์นรกก็ดีรวนเป็นผู้ที่ยังมีกามาราคะอยู่มีกามตัณหาอยู่ยังมีความอยากที่จะเสดรูปเสียงกลิ่นรสผลตถธธาภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆในรูปแบบของ เดรัจฉานของมนุษย์นี่ก็ต้องมีร่างกายถ้าเป็นของเทวดาหรือเป็นของเปรตก็ไม่ต้องมีร่างกายเสพอาหารทิพย์แต่ถ้าเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือเป็นสัตว์นรกนี้ก็จะเสพแต่ความทุกข์เพราะไม่มีบุญกุศล ที่เป็นเครื่องมือให้เสพรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ต่างๆนั่นเองเอมื่อไม่ได้เสพก็เป็นเหมือนคนติดยาเสพติดที่ไม่ได้เสพยาเพราะไม่มีเงินไปซื้อยาเสพติดมาเสพก็ต้องลงแดงต้องทุกข์ทรมานาผู้ที่ไปเกิดเป็นเปรตเป็นผีไปตกนรกนี้ เป็นเหมือนพวกที่ติดยาเสพติดแต่ไม่มีเงินที่จะไปซื้อยาเสพติดมาเสพก็เลยต้องดิ้นทุกขทรมานจนกว่าจะหมดสภาพนั้นพ้นสภาพนั้นแล้วได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาได้ร่างกายมาเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะใหม่ ส่วนพวกที่ได้ไปเสพ ร, รูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพนั้นเรียกว่าเป็นพวกเทวดาพวกนี้เป็นเหมือนพวกที่เป็นเศรษฐีมีเงินซื้ อ, อยาเสพติดมาเสพกันอย่างสมัยปัจจุบันนี้เรามักจะได้ยินขา่าวพวกดาราภาพยนต์พวกผู้ที่มีเงินทองเขามักจะซื้อ สิ่งเสพติดมาเสพกันเขามีเงินทองที่จะซื้อได้เขาก็เลยไม่ทุกข์ไม่ดงลงแดงไปกับการไม่ได้เสพยาเสพติดเพราะเขามีเงินซื้อยาเสพติดพวกเทวดานี้ก็เป็นเหมือนพวกที่มีบุญบุญนี่แหละเป็นเหมือนกับเงินไว้ซื้ออาหารทิพซื้อยาเสพติดต่างๆของเทวดา ที่เรียกว่าเสยาเศษติดเพราะอะไรเพราะมันยังติดอยู่มันยังอยู่ปสาสจากอันเศษกลามไม่ได้นั่นเองจึงต้องกลับมาเกิดในกามาพบในใต้พบนี้มีอยู่สามพบด้วยกันพบต่ําที่สุดเรียกว่ารเรียกว่ากามาพบก็คือพบของผู้ที่เศษกลามก็มี ตั้งแต่เทวดาลงไปเทวดามนุษย์เดรัจฉานนี่พอมีปัญญาที่จะเสกกามได้แต่พวกที่เป็นเปรตเป็นอสุ ร, รกายเป็นสัตว์นรกนี้ไม่มีปัญญาคือไม่มีบุญไม่ได้ทำบุญไว้ในขณะที่เป็นมนุษย์พอตายไปก่อนจะตายไม่ได้ทำบุญทำแต่บาป พอาตายไปก็เลยไม่มีเงินที่จะไปซื้ออาหารทิบชนิดต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆมาเสกก็เลยต้องทุกทรมานถ้าเป็นเปรตก็ยังพอมีโอกาสที่จะมาขอส่วนบุญจากผู้ที่ทำบุญอย่างพวกเรา เวลาเราทำบุญแล้วเราก็อุทิศบุญที่เราได้ทำนี้ไปให้แก่ผู้ที่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นเปรตได้เขาก็จะได้มีเงินไปซื้อยาเสพติดมาเสพพอที่จ ะ, ะประทังไม่ให้ต้องทุกขทรมานมากจนเกินไปถ้าไม่มี ยาติพี่น้องหรือผู้มีจิตเมตตาอุทิศ ส, ส่วนบุญให้ก็เป็นเหมือนผู้ขอทานที่ติดยาเสพติดแล้วไม่มีใครให้เงินเขาไปซื้อยาเสพติดมาเสพนะเนี่ยความสุขทางตาหูจมูกลินกายนี้ก็เป็นยาเสพติดดีๆนี่เองผู้ใดเศษแล้วเวลาที่ไม่ได้เสพนั้นจะ รู้ว่ามันไม่สุขเลยมันทุกข์ถามคนที่เคยมีคู่ครองมีสามีมีภรรยาแล้วเวลาที่ต้องอยู่คนเดียวนั้นจะรู้สึกอย่างไรนี่คือเรื่องของกามตันหาที่พระอนาคามีได้กำจัดไปหมดจากใจ ก็เลยไม่มีความรู้สึกเดือดร้อนเวลาที่ไม่ได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสปุถะะเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการไม่สามารถเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดเพราะใจไม่มีความต้องการที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสปุถะะแล้ว ร่างกายจึงไม่จำเป็นจะต้องมีจึงไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปนี่คือเรื่องของความสุขต่างๆที่เราสามารถสร้างขึ้นมาเอาไว้ในใจได้ที่จะเป็นความสุขที่ท้าวรที่จะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด ไม่เหมือนกับความสุขต่างๆที่เราหาผ่านทางร่างกายหาผ่านทางตาหูจมูกนิ้นกายที่เป็นความสุขชั่วแวบเหมือนควันไฟได้มาแล้วก็หมดไปหมดแล้วก็ต้องเสกใหม่เหมือนเวลาที่สูบบุหรี่คนที่สูบบุหรี่เวลาเขาสูบเขาก็มีความสุข พอเวลาที่บุหรี่ที่เขาเสดหมดแล้วถ้าเขาไม่มีบุหรี่ใหม่มาเสดเขาก็จะทุกข์เขาจึงต้องดิ้นรนหาบุหรี่มาสูบอยู่เรื่อยๆเช่นเดียวกับสุรายาเมานี่คือความสุขที่เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่พวกเรา ควรหันหลังให้อย่าไปติดกับความสุขแบบนี้เพราะจะทำให้เราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายแบบไม่มีวันสิ้นสุดเพราะความอยากที่ได้จากการความอยากนั้นมันไม่หมดไปกับความสุขที่ได้จากการเสพความเสพ รูปเสียงกิ่นรสพลธพะตามความอยากความอยากนั้นกลับมีเพิ่มมากขึ้นไปตามการเสดมันไม่ได้น้อยลงไปแต่มันจะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆการกลับมาเกิดในการมาพบของพวกเราจึงเป็นการกลับมาเกิดแบบไม่มีวันสิ้นสุดตราบใดที่เรายังไม่สามารถที่จะกาจัด กามะตัญหากามาราคะให้หมดไปจากใจได้นอกจากพระอนาคามีเท่านั้นที่สามารถทำได้และจะทำได้ก็ต้องมีพระพุทธศาสนามาปรากฏเป็นผู้นำทางเป็นผู้สั่งผู้สอนให้พวกเราได้เห็นคุณค่า ของการปฏิบัติธรรมให้เห็นคุณค่าของการละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการบำเพ็ญศีลของนักบวชก็คือศีลแปดการรักษาศีลแปดก็เป็นการปิดทวารทั้งห้านั่นเอง ไม่ให้ความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ออกไปหาลูกเสียงกลิ่นรสโทดทพะชนิดต่างๆแล้วก็จะทำให้การกําจัดกามตัญหากามราคะนี้ง่ายกว่าการที่รักษาศีห การรักษาศีลห้านี้ไม่ได้ปิดทางเข้าออกของการมรรตหาของการมาราคา่ะมันยังสามารถเล็ดลอดออกจากกรงออกจากอคอกไปได้ถ้าใช้ศีลห้าเป็นกรงเป็นอคอกเวลาจะไปตามจับมันที่นอกกรงนอกอคอกนี้มันก็ยากเพราะบริเวณอนาเขตมันกว้างใหญ่ไพศาลแต่ถ้าจับมันมาร้อมอคอกไว้ได้ อยู่ภายในครอบเวลาจะจับมันมาข่านี้มันก็จะง่ายผู้ที่อยากจะกําจัดการมาราคะการมตัญหาจึงจำเป็นที่จะต้องรักษาศีลแปดสร้างครอบนี้เอาไว้กันไม่ให้การมราคะออกไปเพ่นพ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐา พอมันอยู่ในคอกก็จะได้ใช้สติจับมันมัดไว้กับเสาพอจับมันมัดไว้กับเสาได้ก็สามารถใช้มีดคือปัญญามาแทงมาฟันมันมาฆ่ามันได้นี่คือขั้นตอนของการกำจัดกามาตัญหาการมราคะต้องกำจัดด้วยการรักษาศิลแส แล้วก็บำเพ็ญการเจริญสติการเจริญสติก็เป็นการเอาเชือกมามัดตัวการมตันหาไว้ให้อยู่กับเสาพอมัดมันได้มันก็ดิ้นไม่ได้พอดิ้นไม่ได้เราก็เอาปัญญาคือมีดมาฟันมาแทงมันให้มันตายได้ ถ้าทำอย่างนี้ได้กามาตันหาราคาตันหาก็จะหมดไปจากใจก็จะได้เป็นพระอนาคามีในสมัยก่อนที่มีพระพุทธศาสนาการฆ่ากามรมาลากามาราคะกามาตันหานี้ไม่สามารถฆ่ามันได้อย่างถาวรทำได้อย่างมากก็จับมันมาวัดไว้กับเสาเท่านั้นเอง เช่นสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะส่งตัดสรู้แล้วนำเอาพระธรรมคำสอนนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกผู้ที่ปรารถนาที่จะกาจัดกามราคะกามตัญหาก็สามารถทำได้เพียงขั้นของสติสมาธินั่นเองคือเอา การมาราคะมาผูกวัดไว้กับเสาให้มันอยู่เฉยๆได้แต่เวลาใดที่เชือกขาดเวลานั้นมันก็ออกมาเพ่นพ่านได้เช่นเวลาที่เจริญสติจอจิต ร, ร, ว e um, รวมเป็นเอกคคตารมรวมเป็นหนึ่งศักดิวาโรเป็นอุเบขาเป็นฌานระดับต่างๆช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่การมาราคะ ตามาันหายุติการทำงานชั่วคราวเพราะถูกกำลังของสติผูกมัดเอาไว้ไม่สามารถออกมาเพ่นพ่านทางตาหูจมูกลิ้งกายได้ต้องอยู่เฉยๆสักแต่ว่ารู้แต่เป็นความอยู่เฉยๆที่มีความสุขอย่างยิ่งเรียกว่านัตติสันติปรังสุขขัง เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขต่างๆที่ได้จากทางอื่นเช่นทางตาหูจมกูกลิ้นกายทางลาบยศสรรเสริญแต่เป็นความสุขชั่วคราวเพราะกำลังของสติที่ผูกมัดกามาราคะกามาตัญหาตัวนี้มันก็มีขอบมีเขตพอมันหมดกำลัง การมาราคาที่คอยผักดันและออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็จะออกมาเราก็ต้องออกจากสมาธิมาพอออกจากสมาธิมามันก็พอไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะก็จะเกิดปัญหาความอยากต่างๆขึ้นมานี่คือระดับ ของการปฏิบัติในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสระมาสอนวิธีที่จะสามารถกำจัดการวล า, าคะกามาตัญหาให้หมดไปได้อย่างถาวรอย่างพระอาจารย์ของพระพุทธเจ้าสองรูปที่พระพุทธเจ้าได้เคยไปศึกษาท่านก็สามารถเข้าสู่ ความสงบความสุขระดับของฌานได้แต่ท่านไม่สามารถเข้าสู่ความสุขระดับของพระอนาคามีได้เพราะต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือมาทำลายกามตัญหาพระุทธเจ้าซึ่งทรงตัดว่าหน้าเสียดดยที่ท่านทั้งสองได้มรณภาพไปก ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้ส่งตัดสรุปปัญญาที่จะมาใช้ในการทําลายกามราคะกามาตุนหานี้ถ้าอยู่ต่อไปก็จะสามารถปฏิบัติธรรมใช้ปัญญากําจัดกามาราคะให้หมดไปจากใจได้และสามารถที่จะปฏิบัติไปถึงขั้นพระอาหารหันต์ได้ ยุติการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายได้สำหรับพระอาจารย์สองรูปนี้พอตายไปท่านก็ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นพรมแต่คนระดับกับของพระอนาคามีของพระอนาคามีนี้ไปด้วยกำลังของปัญญาไปแบบไม่กลับแต่ระดับของพระอาจารย์สองรูปนี้ท่านไปตามกำลังของสติ ก็ไปแล้วก็ต้องกลับมาเมื่อกำลังของสติหมดไปเสื่อมไปชาญหมดกำลังจิตก็จะเสื่อมลงมาสู่พบของกามะพบสู่การมาเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลพทพภพใหม่เหมือนกับออกจากสมาธิมานี่คือเรื่องของการ ยุติหรือการดับกามาตัญหากามราคะสองแบบด้วยกันแบบชั่วคล้าวกับแบบถาวรแบบชั่วคล้าวก็ใช้กําลังของสติของสมาธิของฌานหยุดกามาตัญหากามราคะเป็นการหยุดชั่วคลาวเพราะเมื่อเวลาที่กําลังของฌานของสมาธิอ่อนลงไป การมราคะก็จะดันให้จิตออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเป็นระดับของปัญญาระดับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสุคคนพบก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายอีกต่อไปวิปัสสนาปัญญาที่พระเจ้าทรงคนพบ ที่จะใช้ในการกําจัดการอารมณ์ต่างๆนี้ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาและอสุภะนั่นเองขึ้นอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะชนิดใดถ้าเป็นของต่างๆเช่นสุรายาเบุรรี่เครื่องดื่มต่างๆอะไรเหล่านีน้หรือสิ่งต่างๆ ที่เราชอบเห็นแล้วชอบเห็นทางตาแล้วก็ชอบได้ยินทางหูแล้วก็ชอบเราก็ใช้อ น, นิจจังว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นความสุขชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปเป็นอนัตตาเราห้ามมันไม่ได้ห้ามไม่ให้มันหมดไม่ได้สั่งให้มันอยู่กับเราไปตลอด ให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้เวลามันเสื่อมไปหมดไปความสุขนั้นก็หมดไปความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะกลับคืนมาใหม่ถ้าเป็นเกี่ยวกับร่างกายของคนเช่นร่างหญิงร่างชายถ้ามีความรักมีความชอบความพอใจความอยากที่จะได้เขามาร่วมหลับนอนด้วยก็ต้องใช้อสุภะ ต้องดูพิจารณาส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายถ้าเห็นส่วนที่ไม่น่าดูไม่น่าชมของร่างกายที่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังก็ดีหรือว่าที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ถูกซ่อนอยู่ด้วยการยังมีชีวิตอยู่ถ้าไปดูตอนที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วก็จะไม่ เกิดการมาร์มขึ้นมาผู้ที่ต้องการดับการมารลมจึงต้องมองร่างกายในสภาพที่ไม่น่าดูเช่นตอนที่ร่างกายตายไปหรือมองเข้าไปภายในข้างในของร่างกายไปดูส่วนต่างๆที่ถูกผิวหนังหุ้มหอ่อปกปิดเอาไว้ทําให้มองไม่เห็นอันนี้ก็เรียกว่า เป็นการเจริญปัญญาเพื่อละกามอารมณ์ละกามะตัญหาต่างๆให้หมดไปจากใจถ้ามีปัญญาเหล่านี้อยู่กับคู่กับใจตลอดเวลาเวลาที่เกิดกามอารมณ์ก็สามารถใช้ปัญญานี้มาดับกามอารมณ์ได้ทันทีเหมือนกับถ้าเรามีเครื่องดับเพลิงไว้อยู่ในบ้าน เวลาที่เกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาเราก็สามารถที่จะใช้เครื่องดับเพลิงนี้ดับไฟได้ทันทีแต่ถ้าเราไม่เตรียมเครื่องดับเพลิงเอาไว้เวลาเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเราก็จะไม่มีเครื่องดับเพลิงมาดับไฟไฟก็จะไหม้เผาใจของเราจนบังคับให้เราต้องหนีออกจากบ้านไป ขางนอกใจเวลาที่เกิดการมารมเกิดการมราคะก็ต้องไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลพระมาเสกไม่สามารถอยู่เฉยๆเป็นปกติสุขได้เหมือนกับคนที่ไม่สามารถอยู่ในบ้านได้เวลาที่บ้านเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาต้องหนีออกจากบ้านไปคนที่มีการมารม ก็เช่นเดียวกันเวลาอยู่บ้านอยู่ตามลำพังจะอยู่ไม่ได้ต้องออกไปหาคนนั่นหาคนนี้เพื่อที่จะได้ไปเสพกามกับเขานั่นเองนี่ก็เป็นเพราะว่าไม่มีอสุภะไม่มีปัญญาไม่มีวิปัสสนาที่จะเป็นเครื่องดับกามะ ตัญหาการมาราคาเวลามันเกิดลุกขึ้นมาภายในใจถ้าผู้ใดมีอสุภะอยู่ในใจเห็นอยู่ตลอดเวลาเห็นทุกเวลาที่ต้องการจะเห็นพอเวลาเกิดการอารมณ์ขึ้นมาก็สามารถที่จะใช้อสุภะนี้มาดับการอารมณ์ได้ทันทีและการที่จะเจริญให้ มีอสุภะนี้อยู่กับคู่กับใจไปตลอดเวลานี้ก็ต้องพิจารณาตลอดเวลาซึ่งถ้าใจไม่มีสมาธิจะไม่มีกําลังพอที่จะพิจารณาอสุภะให้อยู่กับใจไปได้อย่างตลอดเวลาเพราะใจที่ไม่มีสมาธินี้จะมีกิเลสตัณหาที่จะไม่ชอบดูอสุภะนั่นเอง ไม่ชอบพิจารณาอาสุภะกิเลสตัณหาชอบพิจารณาสุภะชอบไปซื้อหนังสืออที่มีภาพสวยๆงามงามมาดูกันแต่ไม่ชอบไปซื้อหนังสือของแพทย์ที่เปิดให้ดูอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายเพราะว่ากิเลสตัณหา การมาราคะไม่กำลังมากจึงไม่สามารถที่จะดึงใจให้มาพิจารณาอสุภะได้อย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าไปในสมาธิก่อนทำใจให้สงบก่อนเพราะถ้าทำใจให้สงบได้แล้วกำลังของการมาติหาของการมาราคะนี้จะถูกลดรอไป ก็คือเหมือนกับถูกไปจับมัดไว้กับเสานั่นเองเวลาจิตสงบนี้การมาราคานี้จะไม่ทำงานก็เหมือนกับจับการมาราคะไปมัดไว้กับเสาพอออกจากสมาธิมาใหม่ๆการมาราคะที่ถูกจับมัดอยู่กับเสาก็ยังไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเหมือนคนที่ถูกจับมัดไว้ไม่เวลาถูก เวลาเอามัดออกเอาเชือกออกนี่ตอนใหม่ๆร่างกายแขนขามันยังไม่มีกำลังะต้องรอเวลาสักพักหนึ่งต้องยืดเส้นยืดสายก่อนแขนขาถึงจะมีกำลังที่จะลุกขึ้นมาเดินมายืนมาทำอะไรได้ฉันใดเวลาที่ออกจากสมาธิใหม่ๆนี้การละ า, าคายังไม่มีกำลังพอยังไม่มีกำลังมากพอ ยังไม่สามารถออกมาแผงฤทธิ์ได้เวลานั้นจึงเป็นเวลาที่เหมาะต่อการบาเพ็ญวิปัสสนาภาวนาพิจารณาอสุภะพิจารณาเพื่อให้มันติดตาติดใจให้มันเข้าไปสู่ในใจไม่ให้หลงไม่ให้ลืมนั่นเองแต่ก็อาจจะพิจารณาได้ในระยะเวลาหนึ่งเพราะไม่นานต่อมา กำลังของการล า, าคะมันก็จะฟื้นกลับคืนมาแล้วมันก็จะมานบกวนการพิจารณาอสุภะมันจะดึงใจให้ไปพิจารณาสุภะแทนถ้าถึงเวลานั้นก็ควรจะพากตามพิจารณาอสุภะไว้ชั่วคราวแล้วก็กลับมาทําใจให้สงบใหม่ เพื่อที่จะมาตัด ก, กำลังของการมาราคาใหม่ให้มันอ่อนกำลังลงไปพอออกจากสมาธิมาก็กลับมาพิจารณาอสุภะใหม่ทำอย่างนี้สลับไปสลับมาระหว่างการเจริญปัญญากับการเข้าไปในสมาธิจนกว่าอสุภะจะติดตาติดใจอยู่กับใจไปตลอด สามารถที่จะเอามาดับกามมราคะได้ตลอดเวลาถ้าถึงเวลานั้นแล้วก็ถือว่าทำงานได้สำเร็จแล้วมีเครื่องดับเพลิงไว้เตรียมรับกับเพลิงไหม้ตลอดเวลาแล้วเวลาเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาก็จะสามารถเอาเครื่องดับเพลิงมาดับไฟได้ทันทีเลยฉันใด้ผู้ที่ สามารถจเจริญอสุภะจนฝังอยู่ในใจตลอดเวลาเวลาเกิดการมรรณขึ้นมาก็สามารถใช้อสุภะนี้มาดับได้ทันทีผู้ปฏิบัติจะรู้เองว่ามีปัญญามีอสุภะนี้ทันท่วงทีที่จะดับกับการมราคะได้หรือไม่ ถ้าดับได้ก็รู้ว่าตนเองนั้นหลุดพ้นจากการมาราคาแล้วไม่มีการมารมอะไรที่จะมารบกวนใจได้อีกต่อไปไม่มีความอยากที่จะเสด็จการมารมอีกต่อไปเพราะถูกอสุภะมาคอยกาจัดตลอดเวลาพอการมารมโผล่ขึ้นมาปับ๊บอสุภะก็มาทันที เหมือนกับเวลาไฟเกิดลุกไหม้ขึ้นมาปั๊บเครื่องดับเพลิงก็จะมาดับไฟทันทีนี่เป็นงานที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบวิธีการดับการมาราคะอย่างถาวรถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาท่งตัดสร้จะไม่มีใครรู้จักวิธีนี้ ก็จะติดกับของการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในการมาพบในตายพบ ค, คือเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาบำเพ็ญสมถะ ภ, ภาวนาพอตายไปก็ไปเกิดบนรูปภพหรืออรูปภพถ้าได้รูปฌานก็ไปเกิดบนรูปภพถ้าได้อรูปฌานก็ไปเกิดบนอรูปภพแต่ พทั้งสองนี้ก็จะเสื่อมลงมาจากอารูปภพหลงสู่รูปภพจากรูปภพก็กลับลงมาสู่กมามภพกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะเวียนว่ายตายเกิดไปแบบนี้ก็ยังดีถ้าสามารถที่จะรักษาระดับการบาเพ็ญอย่างนี้ได้ทุกภพทุกชาติคือเกิดมาภพใดชาติใดก็จะบาเพ็ญจะรักษาศีลแปด จ ะ, จะเจริญส ม, มถะภาวนาไปทุกภพทุกชาติการเวียนว่ายตายเกิดก็จะเวียนอยู่ในระดับบนในระดับที่มีแต่ความสุขมากกว่าความทุกข์แต่ถ้าไม่ได้ทําบุญไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ภาวนาเราไปทําบาปไปมั่วการเป็นมั่วยาเสพติด ไปมั่วอบายยมุกเนี่ยไปเสพอบายยมุกต่างๆไปทำบาปต่างๆเวลาตายไปก็จะต้องไปเวียนว่าตายเกิดในในตในในด้านเบื้องต่ำก็คือตายจากมนุษย์ก็ไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปลดบ้างเป็นอสุรกายบ้างไปตกนรกบ้าง ตามกําลังของบาปที่ได้ทำเอาไว้พอใช้บาปหมดแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาเสพอบายามุขใหม่มาทำบาปใหม่ไม่สนใจที่จะทำบุญไม่สนใจที่จะรักษาศีลไม่ว่าจะเป็นศีลห้าหรือศีลแปดไม่สนใจที่จะฝึกบเมมาเพ็ญสมถภาวนาก็จะ เปลี่ยนวายตายเกิดอยู่ในเบื้องต่ำเป็นเดวชานเป็นเป็ดเป็นสัตว์นรกแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ตรงนี้ก็เป็นพวกที่ไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อในเรื่องของการทำทานในเรื่องของการรักษาศีลในเรื่องของการบาเพ็ญภาวนา เพราะคิดว่าตายลราสูนนั่นเองพวกนี้จะคิดว่าพอร่างกายตายไปผลต่างๆที่เกิดจากการกระทำของร่างกายนี้ mm. ก็จะหมดไปไม่มีผู้ต้องไปรับผลไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลไม่ดีพวกนี้จึงไม่กลัวกับการกระทำบาปกรรมต่างๆนั่นเองเพราะคิดว่า จะรับผลก็เฉพาะช่วงที่เวลามีชีวิตอยู่เช่นไปฆ่าผู้อื่นก็อาจจะถูกเขาจับเข้าคุกเข้าตารางไปถ้ายังมีชีวิตอยู่ไปรักทรัพย์ถูกเจ้าหน้าที่อย่างมากก็ถูกเจ้าหน้าที่จับไปขังคุกขังตารางแต่เวลาตายไปแล้วก็ไม่มีใครไปตามจับติกต่อไปเช่นเวลานายกอไปฆ่าผู้อื่นแล้วพอนายกาในายกอเสียชีวิตไป เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยุติการคน้นการติดตามที่ไปตามจับตัวนายกอร์อกต่อไปผู้ที่เห็นร่างกายว่าเป็นชีวิตของตนเป็นส่วนที่เป็นส่วนที่มีที่เป็นของตนไม่มีอะไรมากไปกว่า น, นี้คือถ้าร่างกายนี้ตายไปแล้วชีวิตของตนก็ถือว่าจบ ตนก็สาบหายสาบสูญไปนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่ทำให้กล้าทำบาปทำให้ไม่ชอบทำบุญก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในเบื้องต่ำคือเวียนว่ายระหว่างพบของมนุษย์กับพบของอบายเพราะมีมิจฉาทิฏฐิมีควา ม, มคิดว่า ตายแล้วศูน์นั่นเองส่วนพวกที่มีความเชื่อว่าตายแล้วไม่ศูนตายแล้วไปรับผลบาปผลบุญต่อไปพวกนี้ก็จะมีเฮลิโอตาปะมีความกลัวบาปมีความละอายในการทำบาปก็จะพยายามรักษาศีลกันไปตามกำลังศีลห้าบ้างศีลแบ้างแล้วแต่กาลัง ทำบุญทำทานเพื่อเวลาตายไปจะได้ไม่ต้องไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเทวดาไปรับผลบุญถ้าทำทานรักษาศีลห้าก็จะไปเกิดเป็นเทวดารับผลบุญของตนที่ได้ทำไว้แล้วพอหมดผลบุญแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ผู้ที่มีศรัทธาว่า ความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการทำบุญรักษาศีลห้าก็คือความสุขที่เกิดจากการรักษาศีลแปความสุขที่เกิดจากการภาวนาทำใจให้สงบสมถะภาวนาถ้าอยู่ในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะบําเพ็ญได้ในระดับนั้นคือระดับสมถะภาวนา อย่างผ้าจาย์ของพระพุทธเจ้าสองรูปเพราะในยุคนั้นสมัยนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตัดสู้ยังไม่มีพระพุทธศาสนาที่จะมาสอนให้ปฏิบัติทำระดับสูงคือทำที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปพวกเรา จึงถือว่าเป็นพวกที่มีโชคมีวาสนาที่ได้มาเกิดในยุคของพพุทธศาสนามีแสงสว่างนำทางพาให้เราไปสู่พระนิพพานได้พาให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายในตายพบได้ไม่ว่าจะเป็นการเวียนว่ายตายเกิดในรอบบนหรือรอบล่าง เบื้องบนหรือเบื้องล่างเบื้องบนก็ระดับพรหมโลกกับเทวโลกกับมนุษยโลกถ้าเบื้องต่ําก็ระดับอบายากับระดับมนุษยโลกนี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะทําความเข้าใจและเห็นคุณค่าเห็นความสําคัญของจิตใจของพวกเรา ยิ่งกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่สามารถให้ความสุขระดับพระนิพพานกับพวกเราได้ต้องเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าคําสอนของพระพุทธเจ้าและการปฏิบัติตามคําสอนนั้นเท่านั้นที่จะทําให้เราได้พบกับความสุขที่สูงสุดความสุขที่ถาวร ตั้งแต่ระดับพระโสดาบันขึ้นไปจนถึงระดับพระอรหันต์ถึงระดับพระนิพพานเกิดได้จากการที่เราเชื่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและนาเอาไปปฏิบัติตามกำลังของเราทาจากน้อยไปหามากแค่ในเบื้องต้นก็ทาระดับทานกับศีลห้าไปก่อน รักษาศีลว่าห้าไว้ให้ดีมันทำทานอยู่ทุกวันใส่บกใส่บาทหรือสงเคราะเพื่อนร่วมโลกจะเป็นมนุษย์ผู้ยากไร้หรือสัตว์เดรัจฉานก็ได้เหมือนกันถ้าไม่มีพระภิกษุมาให้เราได้ทำบุญก็ทำไปกับสุนัข ก, ก็ได้ทำกับคนยากจนก็ได้ขอให้เราให้ก็แล้วกัน คำว่าทานก็แปลว่าการให้อย่าหวงอย่ายึดอย่าติดกับทรัพย์สมบัติเพราะมันจะทําให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่ยึดไม่ติดเราก็ตัดเชือกที่ผูกให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดไปได้หนึ่งเส้นือเชือกที่จะทําให้เราติดอยู่กับการกลับมาหาเงินหาทองหาความสุขจากการใช้เงินใช้ทอง เอามาทำทานเสียแล้วก็รักษาศีลห้าไว้ให้ดีเพื่อจะได้ไม่ตกไปในอบายแล้วพอเราวันพระเราก็มารักษาศีลแปกันหยุดทำงานหนึ่งวันมาอยู่วัดกันหนึ่งวันหรือม า, มารับศีลเนอะก็กลับไปปฏิบัติที่บ้านก็ได้มารับศีลแปแล้วก็มาศึกษาวิธีทำใจให้สงบ วิธีภาวนาสามถภ า, าวนาแล้วก็วิธีที่จะเจริญวิปัสสนาภาวนาว่าทำอย่างไรสมถภ า, าวนาก็คือต้องเจริญสติทำใจให้สงบวิปัสสนาก็คือหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วก็ให้พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอสุภะ ถ้าเป็นอาหารก็เป็นปฏิกูลไม่น่ารับประทานเพราะว่าอาหารเวลาเข้าไปในปากแล้วมันน่ารับประทานไหมถ้าคายมันออกมายังจะตักกลับเข้าไปในปากได้หรือเปล่าถ้าคายถ้าอาเจีเยนออกมาแล้วยังจะตักเข้าไปในท้องได้หรือเปล่าถ้าถ่ายออกมาแล้วยังจะกลับเอามารับประทานได้หรือเปล่าต้องดูความเป็นปฏิกูลของอาหาร แล้วความหิวโหยกับเรื่องอาหารนี้มันจะหมดปัญหาไปจะกินด้วยความจำเป็นจริงๆเหมือนกับกินยาถึงเวลาก็กินไม่ถึงเวลาก็ไม่หิวเพราะเวลาหิวทีไรก็นึกถึงปฏิกูลทุกทีมันก็จะไม่หิวนี่คือระดับปัญญาที่จะทำให้ใจได้ความสุขระดับที่ถาวรระดับที่ไม่เสือ่อม ที่เป็นขั้นขั้นไปตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปสู่ขั้นพระสกิฎรคามีขั้นพระอนาคามีและขั้นพระอาหารหันต์ตามลําดับนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะศึกษาที่จะเชื่อและนําเอาไปปฏิบัติตามกําลังของเราเหมือนกับการเรียนหนังสือเราก็ต้องเริ่มต้นที่ชั้นอนุบาลก่อน แล้วก็ค่อยก้าวขึ้นไปสู่ชั้นปฐมอยากปฐมก็ขึ้นไปสู่ชั้นมัธยมแล้วก็ขึ้นไปสู่ทั้งระดับอุดมศึกษาระดับปรัญญาตรีโทเอกตามลําดับต่อไปการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกันขั้นแรกก็ทําทานรักษาศีลขั้นที่สองก็รักษาศีลแปดภาวนาสมถาภาวนา ขั้นที่สามพอได้สามัคภาวนาก็บําเพ็ญวิปัสสนาภาวน า, นว า, า, วนาพิจารณาไตรักษพิจารณาอสุภะพิจารนณ า, นาปฏิกูลของอาหารพิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วตัณหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจก็จะหดหายไปและหมดไปในที่สุดพอหมดแล้วใจก็จะถึงพระนิพพานถึงบร ม, มสุขถึงปรมังสุขขัง นี่เป็นเส้นทางแผนที่ของการดําเนินชีวิตของพวกเราที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายไว้ให้กับพวกเราผู้ที่เชื่อศรัทธาและนําไปปฏิบัติได้ก็เดินไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระเจ้าได้ทรงเดินไปถึงก็คือพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่เรามีโอกาสได้พบได้กล่าบว่าเป็นผู้ที่จะมายืนยันให้กับพวกเราว่า ทางนี้ไม่ศูนย์ทางนี้เป็นของแท้เป็นของจริงทางของพระพุทธเจ้านี้ขอให้มีศรัทธามีความยินดีและมีความเพียรเท่านั้นก็จะสามารถเดินไปถึงจุดหมายปลายทางนี้ได้อย่างแน่นอนจึงขอให้พวกเราจงเห็นความสำคัญของใจเรานี้ยิ่งกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ได้เห็นความสำคัญของธรรม ที่จะพาจิตใจของเรานี้ไปสู่ความสุขที่ดีที่สุดที่สูงที่สุด ท, ที่ถาวรได้เราต้องยึดธรรมเป็นผู้นำทางเป็นเครื่องมือถ้าไม่มีธรรมเราจะไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้ธรรมนี้จึงเป็นเหมือนยานพาหนะถ้าเราไม่มียานพาหนะเราจะไม่สามารถเดินทางไปไกลๆได้ อย่างมากก็เดินได้วันละไม่กี่กิโลแต่ทางที่เราต้องไปนี้มันเป็นหมื่นเป็นแสนกิโลหรือเป็นล้านกิโลเราต้องมีธรรมมียานผานะเราต้องสร้างธรรมต่างๆให้ขึ้นมาให้ได้คือทานสีภาวนานี่เองถ้าเรามียานแล้วเราก็จะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างแน่นอนหน้าที่ของเราจึงอยู่ที่การมาสร้างธรรมะกันนี้เอง เพื่อให้ใจของเราที่เป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดได้พบกับความสุขที่สูงสุดที่ถาวรต่อไปนั่นเองการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจนขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรอยะถ า, าวาริวาหาปุราปาเบกโปเรนติสากรัง เอวเมวะอิโตทินางเปตาญงอุปกัรปติอิชิตตังปฏิตังตุนหังคิดเเมวะสมิจตุสัพเพโปรเณมตุสังกปาจันโทปนาวาโสยทามณีโชติราโสยทาสัพพิตโยวิวัจฉันตุสัพพโลกวินัสตุ มาเตภวะตวันตาาโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาศิลิสนิจังวุฒาปจา ย, ยโนจตารธรรมวทานติอายุวันสุขังภาลาะลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรม ท่านผู้ใดมีคําถามอยากจะถามก็ขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้เลยเาถามได้เลยค่ะพ่อเจ้าข่ายมีคําถามเยอะค่ะเจ็ดข้อค่ะคําคถามข้อแรกก็คือว่าเมื่อเราปฏิบัติสมถาภาวนาฝึกหัดใหม่อะค่ะแต่ว่ายังไม่เข้าคณิกาสมาธินะคะแล้วพอเราออกจากสมถาภาวนาแล้วอะค่ะ เราจะฝึกทำวิปัสนาภาวนาอย่างที่หลวงพ่อเทศเมื่อกี้ะค่ะได้เลยเหมือนกันไหมเจ้าค้าหรือว่าต้องอับนาก่อนเจ้าคะก็ลองดูสิถ้าพิจารณาได้ก็พิจารณาไปจะเพียงแต่ว่ามันจะพิจารณาได้กี่ยกเท่านั้นเองเหมือนนักมวยจะชคได้ถ้ากี่ยกก็โดนกเกเรถ้ามีกําลังมากก็จะชค ก, กันได้หลายยกถ้ามีกําลังน้อยก็าจแค่ยกสองยกก็ยอมแพ้แล้ว แต่กินขนมดีกว่าแต่ก็ควรจะฝึกซ้อมไปก่อนใช่ไหมเจ้าคะไม่เสียหายอะไระหรือถ้ายังไม่รู้จักพิจารณาก็จเจริญสติไปก่อนเพื่อให้ให้สมาธิมันมีกำลังมากก่อนก็ได้แล้วค่ะได้ทั้งสองอย่างข้อที่สองนะคะเวลาเราปฏิบัติมากขึ้นค่ะทำไมพวกมนันมานพวกกิเลสมานะคะ ก็ชอบมาทำรายกั้นขวางให้กำลังใจเราอ่อนแอทุกครั้งเลยเจ้าค่ะก็ทําให้การปฏิบัตินันย่าขึ้นอีกแล้วก็กิเลสมาก็ชอบมาทำร้ายในจุดวิ a k p o i n ในใจเราทุกครั้งคือเหมือนกับรูลวงเข้าไปแบบเฮ้ยนี่ p o ของคุณนะก็จะชอบมาขัดขวางแล้วก็ทําให้เราแพ้กิเลสทุกครั้งเลยอะค่ะเพราะกิเลสมันก็โวงรังมันการปฏิบัติของเราก็เหมือนกับไปเข้าไปไ ป, ไปบุกรุกทําลายรังของมัน มันก็เลยต้องต่อสู้กับเรากำลังมันก็จะมากขึ้นเมื่อก่อนเราไม่เคยปลุกรุกรังมันมันออกมาเพ่นพ่านได้สบายมันก็เลยไม่ต้องใช้กำลังมากแต่พอเราเริ่มมีธรรมะเราเริ่มมีกำลังเราก็เริ่มฆ่าพวกมันไปทีละตัวสองตัวมันก็เลยรู้ว่าเราเอาจริงกับมันมันก็เลยทีนี้มันก็เลยต้องเอาจริงกับเรามันก็เลยสู้เราอย่างสุดฤทธิ์ ค่ะข้อที่สามนะคะการการเจอกับกิเลสมานะคะเวลาปฏิบัติเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีกิเลสมานจริงหรือเปล่าคะหรือว่ามันเป็นอุปทานของเราเองเจ้าคะ่ะคำว่ากิเลสมารนี่ก็แปลว่ากิเลสนี่เองมานที่เกิดที่เกิดจากกิเลสคำว่ามานก็คือสิ่งที่มันมาขัดขวางการสร้างธรรมเขาเรียกว่ามานมันไม่มีตัวไม่มีตน แล้วก็สิ่งที่จะมาขัดขวางการสร้างธรรมก็คือกิเลส ต, ต่างๆนั่นเองอเจ้าค่ะข้อที่สี่ค่ะขณะที่เราเริ่มปฏิบัติใหม่ๆอะค่ะยังมีสติไม่มากสมาธิก็ไม่ถึงขัน้นอัปปนาสมาธินะคะปัญญาทางมรรคก็ยังไม่เกิดเลยเจ้าค่ะเมื่อเวลาเจอสถานการณ์ที่ทําให้เกิดความหลงมากๆค่ะเราจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรเจ้าคะทั้งๆ ท, ที่เราก็บริกรรมต่อสู้มาตลอด เลยเจ้าค่ะแต่ยิ่งบริกรรมมากๆ ม, มันก็เหมือนหินทับยาก็คือความหลงก็ยิ่งมากขึ้นแล้วก็แบบหลงมากกว่าเดิมอีกเจ้าค่ะก็เลยใช้ปัญญาตัดแต่ด้วยความที่ปัญญาก็ยังไม่ไม่ดีก็ยังตัดไม่ขาดทาวรเจ้าค่ะก็มันก็เลยเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมนะคะก็ต้องทํทไาไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆหรือใช้การบริกรรมไปเรื่อยๆก่อนเวลาเกิด ความทุกข์ใจขึ้นมาอย่าไปคิดถึงเรื่องที่เรากำลังทุกข์ใจให้บริกรรมไปไม่ว่าเราจะใช้บทบริกรรมบทไหนก็ได้ถ้าเราไม่ไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราทุกข์ใจเดี๋ยวความทุกข์ใจมันก็จะระ ง, งับไปชั่วคราวถ้าเราใช้ปัญญาได้ก็พิจารณาว่าเรื่องต่างๆมันก็เกิดจากตัณหาความอยากของเรานองถ้าเราตัดความอยากได้เรื่องต่างๆมันก็หมดไป เจ้าค่ะข้อที่6เจ้าค่ะจริงหรือเปล่าคะที่เขาบอกว่าคนทําดีอะ่ะย่อมย่อมมีเทวดาคุ้มครองรักษาค่ะแต่ว่าคนที่ทำทำไม่ค่อยดีค่ะเขาก็จะมีพยาบาลคุ้มครองตัวเขาค่ะถ้าเราเกิดไปทะเลาะกับพวกที่มีพยาบาลคุ้มครองอะค่ะเขาก็จะส่งกระแสะจิตมาทําร้ายขัดขวางการปฏิบัติธรรมของเราได้ไหมเจ้าค่ะเกิดพวกที่ทําชั่วนี้ไม่มีพยาบาลมาคุ้มครองหรอ เพราะว่าความชั่วนี้ไม่มีใครจะมาคุ้มครองมีแต่โทษที่จะมาทับถมส่วนคนทำความดีนี่แหละจะเป็นมีทั้งมนุษย์และเทวดามาคุ้มครองเพราะคนทำความดีนี้ไม่ไปทำโทษไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่ใครทำแต่คุณทำประโยชน์ ดังนั้นจึงเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราพยายามทำความดีไปก็แล้วกันแต่ส่วนใหญ่บางทีเราทำความดีเพียงแค่ผงทุลีแล้วเราก็อยากจะได้ผลอันให ญ, ญ่โตขึ้นมาพอไม่ได้เราก็เกิดความท้อแท้ขึ้นมาต <c oughs> ้องขา พยายามทําความดีไปเรื่อยๆแล้วต่อไปความดีก็จะมาคุ้มครองเราเองเจ้าค่ะหมดแล้วยังเกือบแล้วค่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อคะที่หลวงพ่อเคยเทศไว้ว่าเวลาเราใกล้ตายค่ะจิตก่อนตายเออมันยังคัดค้านกันเล็กน้อยเจ้าค่ะว่าหลวงพ่อบอกว่าต้องเขา้าเข้าคูเลตคือคํานวณบุญบาปแล้วก็จะไปเกิดตอนจิตก่อนตายค่ะแต่ว่าเออหรือว่า เป็นจิตสุดท้ายคืเจ้าค่ะว่านึกถึงอะไรเจ้าค่ะก็สมมุติตอนนี้ตอนนี้คนมีบุญกี่บาทมีบาปกี่บาปตั้ตาตายไตอนนี้บาปกับบุญมันก็จะมาแย่งดวงใจของคุณไปถ้าบุญมันมีกําลังมากกว่ามันก็ดึงไปสู่สวรรค์ถ้าบาปมันมีกําลังมากกว่ามันก็เดึงไปสู่บ่ายขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี่เรายังสามารถตับบัญชีได้อยู่ ฉันตอนนี้เราคิดว่าให้บาปมันมากกว่าบุญไว้ต้องรีบมาทำบุญหน่อยมาอยู่ว่าสักเจ็ดวันสิบวันตอนมีชีวิตยอยู่ยังปรับบัญชีได้นะเวลาตายแล้วมันปรับไม่ได้น ะ, ะกวกรบคุณหารได้เท่าไหร่มันก็จะออกมาตามตามตามที่คำนวณไว้นะเจ้าค่ะหลวงพ่าเจ้าค่ะอีกนิดหน่อยค่ะ เราเราเกิดมาเราอาศัยธาตุดินน้ำลมไฟจากพ่อแม่นะคะแล้วถ้าเกิดเกิดเราเกิดเป็นคนมาเนี่ยคะ่ะเราก็ได้นิสัยหรือโรคต่างๆมาจากพ่อแม่ด้วยไหมคะหรือว่ามันเป็นกรรมแนอดีตของเราเจ้าคะนิสัยของพ่อของแม่ก็ได้ตอนที่เราเกิดมาแล้วแล้วพ่อแม่มาสอนเราเช่นภาษาของพ่อของแม่เนี่ยเราได้จากพ่อแม่อาหารการกินอาหารชนิดนั้นชนิดนี้เราได้จากพ่อจากแม่เช่นเรามาเกิด เป็นคนไทยเราจะไปกินแฮมเบอร์เกอร์ได้ยังไงถ้าพ่อแม่เขาไม่ทํามาให้เรากิน้ยเขาก็ทําอาหารไทยเราก็กินอาหารไทยไปเราก็ติดอาหารไทยไปภาษาก็เหมือนกันมาเกิดเป็นลูกของคนไทยจะไปพูดาภาษาฝรั่งได้ยังไงมันก็ต้องพูดภาษาไทยไปทั้งของบางอย่างก็ได้จากพ่อแม่เช่นภาษาอาหารอ การอยู่พ่อแม่เป็นเศรษฐีก็อยู่แบบเศรษฐีพ่อแม่เป็นขอทานก็ต้องอยู่แบบขอทานแต่เรื่องนิ ส, สัยใจคอนี้ไม่ได้มาจากพ่อแม่เช่นความชอบความเกลียดนี้ไม่ได้มาจากพ่อแม่พ่อแม่อาจจะชอบสีเขียวสีแดงแล้วอาจจะเกลียดสีเขียวสีแดงก็ได้ดดอันนี้มาจากใจของเราที่เมที่เราเคยชอบเคยเกลียดมาในอดีตมันจะติดมากับใจของเราแม้แต่ความถนัด ซ้ายถนัดขวาก็ไม่ได้มาจากพ่อจากแม่เราเคยถนัดขวากี่ชาติมามันก็จะถนัดขวาไปถนัดซ้ายมันก็จะถนัดซ้ายไปเจ้าค่ะรวมถึงโรคด้วยใช่ไหมเจ้าคะ่ะโรคโรคต่างๆโรคนี้ก็ถ้าเป็นทางร่างกายก็มาจากพ่อจากแม่เป็นกรรมมาพันธใช่ไหมเพอพ่อแม่เป็นผู้ผลิตร่างกายนี้ถ้าร่างกายของพ่อแม่บกพร่องร่างกายของลูกก็บกพร่องตามได้ เช่ น, น<ฆ>คนที่มีไขมันสูงนี่ถ้าพ่อพ่อก็ไขมันสูงแม่ก็ไขมันสูงนี่ลูกก็ยิ่งสูงใหญ่สองเท่า<ฆ>ของพ่อของแม่อหมายถึงโรคมะเร็งเจ้าค่ะโรคมะเร็งนี่เป็นพฤติกรรมมากกว่า <c oughs> เกิดจากการการเสพสิ่งต่างๆเท่าที่เราศึกษาดูมันมาจากสารพิษต่างๆที่เราเสพเข้าไปผ่านทางอาหารทางอากาศทางน้ำํำ<ฆ>ก็น้ําของเราสมัยนี้อาหารของเราสารอะไรนี่มันมีสารต่างๆ เออปนเข้าไปด้วยเพื่อที่จะเสริมความสวยความน่ารักน่ากินของอาหารสีสีเทียมต่างๆรสเทียมต่างๆนี่มันเป็นเคมีอันตนเหล่านี้ถ้าไปเสพไปมากๆมันก็ไปทำให้ร่างกายทำงานไม่ปกตินค่นะนั่นโรคมะเร็งนี่ส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องของการเสพทาดเข้าไปทาที่ไม่เป็นธรรมชาติ คำถามสุดท้ายเจ้าค่ะเออพระอรหันเจ้าค่ะฝันร้ายไหมเจ้าคะก็ต้องรอเป็นพระอรหันดูต่างก็แล้วกันสิบปากว่าไม่ไม่เท่าหนึ่งตาเห็นเราจะไม่เห็นในชาตินี้แล้วค่ะแล้วหลวงพ่อฝันร้ายไหมเจ้าคะก็ไม่แน่ฝันร้ายมันก็เป็นฝันดีได้เอะ คือเช่นฝันว่ามีคนจะมาฆ่าเรานี่เราก็ปล่อยฆ่าเลยไม่กลัว อ, อย่างนี้เรียกว่าฝันร้ายหรือฝันดีถ้ามีคนก็จะมาฆ่าเราในฝันแล้วเราบอกเอาเลยฆ่าได้เลยไม่หวั่นไหว อ, อย่างนี้เรียกว่าค่าฝันร้ายหรือฝันดีใช่ไหมอ่าว่ามาครับผมอ่า อาจารย์แนะนำเรื่องศีลแปให้แจมแจ้งหน่อยครับเพราะว่ามันมีหลายคนบอกว่าเรื่องน้ำปานะครับบางบางท่านว่านมดื่มได้บางท่านว่านมดื่มไม่ได้อนอกเป็นของเดียวนี้สามารถทานได้ทั้งหมดนอกจากของเคี้ยวตอนนี้ไม่เข้าใจครับคือศีลแปดของญาติโยมไม่เหมือนกับศีลของพระบางทีพระญาติโยมไปอ้างอิงศีลของพระมาใช้กับศีลแปดมันก็เลยสับสนอาใจไหม คือการไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันก็หมายความว่าอยา่อยางนั้นอะไรเป็นอาหารก็กินไม่ได้อาหา ร, รอะไรที่ไม่ใช่เป็นอาหารก็กินได้หมดถ้าสําหรับสินแปดสินแปดนมเป็นอาหารหรือเปล่าถ้าเป็นก็กินไม่ได้ถ้าไม่เป็นก็กินได้เป็นเครื่องดื่มครับงั้นสิสําหรับโยมเป็นเครื่องดื่มก็กําไปสําหรับพระเขาว่าเป็นอาหารแต่ถ้ากก็ินไไม่ด้แต่ถ้าสมาทานศินแปดนี้ก็ ดื่มไม่ได้ใช่ไหมครับนมก็ถึงบอกว่ามันไม่เหมือนกันไงคนเป็นพระหรือเป็นโยมพอเป็นโยมอคุณเป็นโย ม, โยมเขาโยมเขาบอกว่าดื่มไม่ได้เป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มคนก็ดื่มได้นี่แต่เป็นพระทางพระเพราะว่ามันไม่เป็นเครื่องดื่มอนมนี่เขาถือว่าเป็นอาหารเสริมทีมันก็เลยเถียงกันจนโลกแตกเนี่ยอ๋อเพราะว่า มันสอบสนคมกันเลยว่ามันก็ <K ill ian> อย่างจียมแจงครับ ถ, ถ้าคุณไปถือศีลแปดอยู่ที่วัดไหนก็ต้องทําตามวัดนั้งวัดเขาบอกว่าไอ้นี่กินไม่ได้ก็อย่าไปกินนั่นเองค่ะ <K ill ian> คุณไม่ได้ไปทําที่วัดอยู่ที่บ้านคุณก็ว่าไปตามตามความเข้าใจของคุณถ้านมดื่มได้ก็ดืม่มถ้าดื่มไม่ได้ก็อย่าไปดืม่มถ้าเป็นอาหารก็ดื่มไม่ได้แล <K ill ian> ้คุณก็ต้องไปแยกแยะเอาว่า อะไรเป็นอาหารอะไรไม่เป็นอาหารสำหรับคุณก็เท่านั้นเองแต่ถ้าคุณไปอยู่ที่วัดท้องก็มีคนแยกแยะให้แล้วก็ต้องทำตามที่เขาแยกแยะไปอ๋อแต่ถ้ารับศีลจากพระแล้วไปถือที่บ้านก็เหมือนกันใช่ไหครับก็เหมือนกันไงก็ศีลมันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ตัวเราการที่ไปรับศีล ไ, ไม่ได้เป็นหมายความว่าเอาศีลของพระไปไปถามว่าศีลแปลดมีอะไรบ้างไปศึกษาครับแล้วก็ไปปฏิบัต ตามที่เราได้ศึกษามาเหมือนการขับรถเนี่ยเราก็ไปเรียนวิธีขับรถเรียนเสร็จแล้วก็เอาไปขับขับไปศึกษากฎจราจรไฟเขียวมีความหมายว่ายัางไงไฟเหลืองมีความหมายว่ายัางไงไฟแดงมีความหมายว่าอย่างไงแล้วก็ไปปฏิบัติตามที่เขาบอกถ้าเจอไฟแดงก็ให้หยุดใช่ไหมถ้าไม่หยุดก็เดี๋ยวก็ถูกจับแล้วก็ไปชนกับเขาครับ แล้วก็การรักษาสินี้จะเป็นต้องมาสมาทานที่วัดก่อนใช่ไหมครับถึงไปรักษาที่บ้านไม่ต้องไม่สมทานเองก็ได้ใช่ไหมครับถึงแต่ตั้งใจบอกวันนี้จะรักษาสีนแปลกก็ก็รักษาไปคือวันต่อวันก็ได้ใช่ไหมครับเออครับผมออครับขอบคุณครับอยากอยากจะถามพระอาจารย์นะครับว่าเคยนั่งสมาธิอยู่แล้วไปถึง จิตสงบมาฮะตัวตนตัวตนหายไปลมหายใจหายตกใจออกมาสมาธิในตกใจออกมาจากสมาธิในขณะนั่งไปที่จิตจิตสงบนะฮะรู้สึกมีความสุขเคยนั่งถึงตรงนี้สองึสามครั้งอยากจะนั่งไปให้ถึงอีกมันมันไปไม่ได้แล้วฮนะ หมายถึงอยากจะให้มันสงบแบบเมื่อเมื่อคราวที่แล้วอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็อย่าไปอยากมันเพราะความอยากไม่ได้พาให้ไปต้องสติต้องมีสติบริกรรมพุทโธพุทโธไปทําแบบเดิมอะ่ะเราเคยทําวิธีไหนแล้วก็ทําแบบนั่นไปถ้าเรานั่งแล้วอยากเฉยๆมันไม่ไปครับอีกคําถามนึงนะครับการการทําสมาธิโดยใช้ อาาปานสติต้องภาวนาพุโทโธควบคู่ไปด้วยไหมฮะไม่ต้องก็ได้ต้องก็ได้แล้วแต่เราถ้าอานาปานสติล้วนๆก็ไม่ต้องให้รู้ลมว่ากาลังเข้ากาลังออกเท่า<อ> น, นั้นเองกระผมอีกคาถามนะครับคือกระผมเห็นทางไปสู่พันิพภัณแล้ว ชาตินี้ไม่รู้จะไปถึงตังนทิพานหรือเปล่าเกิดชาตินี้ไปไม่ถึงจิตดับลงไปก่อนถ้าถ้าเกิดในชาติหน้าอีกนี่สามารถมาสารสานต่อได้ไหมฮะก็แล้วแต่ว่าไปถึงตอนไหนไงถ้าเดินทางถ้ายังอยู่ใต้ทางด่วนอยู่นี่ก็ยังต้องหาทางขึ้นทางด่วนอยู่ต่อไปแต่ถ้าได้ขึ้นทางด่วนแล้วก็ ก็ไปเลยไม่ต้องไม่ต้องหาทางขึ้น mm. การปฏิบัติมันมีอยู่สองขั้นขั้นที่ไปแล้วไม่ไปแล้วจะไม่กลับคือไปแล้วจะพาให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางเลยหมันกับเวลาเราขึ้นทางด่วนนี่มันจะไม่หลงทางแล้ะเพราะมันไม่มีทางแยกทางอะไรมันพุ่งไปถึงจุดหมายปลายทางแต่ถ้าเรายังอยู่ใต้ทางด่วนอยู่ยังมีแยกต่างๆอยู่บางทีเดี๋ยวแล้วก็เลี้ยวผิดเลี้ยวถูก ก็จะทําให้หนองทางได้เอ็นถ้าอยากจะปฏิบัติเพื่อให้ไปถึงทางด่วนก็ต้องข้นวิปัสสนาต้องเข้าสู่กระแสทางเข้าสู่กระแสก็คือการเข้าสู่ทักขึ้นทางด่วนนี่เองทางด่วนก็พาไปนิพพานกระแสก็พาไปนิพพานคำวมโสดาก็แปลว่าผู้ได้เข้าสู่กระแสกระแสของพระนิพพานพอเรา เอาเรือเราลงไปสู่กระแสนี้แล้วกระแสน้ำนี้ก็จะพาเราไปเองมันจะไม่มีทางอื่นมันจะไปทางพระนิพพานเป็นทางเดียวก่อนที่จะเข้าสู่กระแสนี้มันอาจจะมีทางแยกหลายทางแต่พอเข้าสู่กระแสนี้แล้วมันก็จะไปทางเดียวไปจุดหมายปลายทางอันเดียวเอาน่าอยากจะอยากจะปฏิบัติแบบว่ามันจะต่อเนื่องไปถึงชาติต่อไปโดยที่ไม่ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ ก็ต้องเข้าสู่กระแสเพราะถ้าเข้าไปสู่แค่ระดับฌานขั้นสู่สมาธินี่มันเดี๋ยวมันพอได้แล้วมันจะเสื่อมหมดไปเวลากลับมาเกิดใหม่ก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่เรียนถามพระอาจารย์อีกข้อหนึ่งนะครับคืออยากทราบความหมายของสมถะและวิปัสสนาครับ ก็สมถะก็แปลว่าการทาใจให้สงบเป็นสมาธิวิปัสสนาก็คือการทาใจให้รู้แจ้งเห็นจริงให้เกิดปัญญาขึ้นมาเป็นการปฏิบัติสองขั้นตอนที่ไม่เหมือนกันขั้นตอนแรกนี้ต้องการให้ใจนิ่งสงบไม่คิดปรุงแต่งให้เหมือนที่คนพูดเมื่อกี้เนี่ยให้มันรวมเข้าไปแล้วมันมีความสุขมากแล้วมันจะมีความมีกาลังที่จะออกมาต่อสู้กับ ข้าศึกศัตรูก็คือกิเลสตัณหาและเครื่องมือที่จะใช้ในการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูก็คือปัญญาหรือวิปัสนาวิปัสนาก็คือต้องพิจารณาสอนใจว่าสิ่งที่กิเลสตัณหาอยากได้นี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของเราเช่นอยากได้ภรรยาอยากได้สามีนี่ให้พิจารณาว่าเขาเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขได้มาร้ายเดี๋ยวจะต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ พอไม่ช้าก็เหลวเขาก็ต้องจากออกไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปให้พิจณานี้ให้เห็นว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตก็ถอยดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าอาจารย์ขาบรำวสการพระอาจารย์ครั บ, รรบวันนี้ก็จะมีปัญหามาสอบถามพระอาจารย์นะครับก็จากการพิจารณาอสภาุภกรรมฐานครับ เมื่อก่อนเนี่ยพี่นาได้คล้องแค่ว่องไว้นะครับเข้าสมาธิก็พีรณาเแยกชิ้นส่วนนะครับแต่มาปัจจุบันเนี้ยรู้สึกว่าศรัทธามันมันอ่อนลงนะครับแล้วก็เข้าสมาธิได้ยากขึ้นพิีรณาร่างกายเนี่ยก็มันยัไม่เห็นภาพแล้วครับมันเกิวกลายเป็นสัญญามันจะมันจะนึกมันพยายามจะนึกทีนี้ก็อยากจะกราบเรียนพระอาจารย์ว่าจะเรียกศรัทธาแล้วก็จะจะทํำยังไง ยังไงต่อดีครับก็พยายามเข้าหาพระพุทธเข้าหาพระอรหันตสาวกพระอริยเจ้าทั้งหลายผ่านทางหนังสือซีดีก็ได้หรือเข้าไปกราบไหวอยู่ใกล้กับท่านก็นะไปอยู่ตามวัดที่ท่านอยู่แล้วได้ศึกษาได้ปฏิบัติกับท่านมันก็จะเรียกกาลังใจกลับคืนมาได้ถ้าอยู่ห่างไกลจากพระพุทธธรรมพระสงค์กําลังใจมันก็จะอ่อนลงไปถ้าอยู่ใกล้ พระพุทธธรรมประสงค์นี้ก็จะปลุ ก, กําลังใจของเราให้เกิดขึ้นมาได้เพราะท่านจะพูดในสิ่งที่เป็นความจริงที่จะทําให้เราเกิดศรัทธาอยากจะได้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเพรฉต้องอยู่ใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่บัดนี้พระพุทธเจ้าไม่มีแล้วก็ต้องอาศัยประสงค์พระอริยสงสาวกูบาอาจารย์ต่างๆที่หลวงตาท่านแนะนํานี้ก็ไปกลับไปไหว้ไปศึกษาไปอยู่ได้ เราไม่ไปกันเองเราชอบอยู่ใกล้แฟนเราลูกเรามากกว่ามันก็กาลังใจมอนก็ดูดกำลังใจเราไปหมดแล้วนี่เข้าใจหัหยครั บ, บ, บมีอะไรไหมอ่าให้คนหนึ่งเขาถามต่อคำถามต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากคุณวิไลมีพระรูปหนึ่งบอกว่า อย่าให้อาหารหมาแมวจรจัดที่หิวโซที่ผ่านมาแถวบ้านเราเพราะมันจะไม่ไปไหนเป็นภาระที่เราต้องเลี้ยงดูมันต่อไปดิฉันก็เลยคิดว่าท่านไม่มีเมตตาดิฉันบาปไหมคะและดิฉันก็คิดต่อไปว่าถ้าเราไม่ช่วยเหลือมันต่อไปถ้าเราอดอยากขาดแคลนก็จะไม่มีใครช่วยเหลือถูกไหมคะ มันก็นานาจิตตังนานาทัศนคติแต่ละคนก็อาจจะมีเหตุผลที่ต่างกันไปบางคนก็เห็นว่าเลี้ยงมันแล้วก็จะเป็นภาระขึ้นมาก็อันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งบางคนก็เห็นว่าเป็นความเมตตาสงเคราะห์กันช่วยเหลือกันไปก็แล้วแต่แต่แต่ละคนจะคิดกันไปก็แล้วกันถ้าไม่เลี้ยงก็ไม่ได้บุญถ้าเลี้ยงก็ได้บุญ่ คำถามต่อไปจากคุณสิทธิศักดิ์ผมเป็นครูสอนวิชาพระพุทธศาสนามาสิบกว่าปีโดยศึกษาจากตำราของกระทรวงศึกษาธิการจากพระไตรปิฎกจากหนังสือของครูบาอาจารย์และฟังเทศฟังธรรมโดยเฉพาะหนังสือและซีดีของพระอาจารย์ซึ่งเป็นคำสอนที่ทำให้เข้าใจง่ายฝึกเจริญสตินั่งสมาธิ พิจารณาทางปัญญาอย่างต่อเนื่องทุกวันแต่ยังไม่บรรลุธรรมขั้นใดเลยพอฟังคำสอนของพระอาจารย์ที่ว่าการยังไม่บรรลุธรรมแล้วไปสอนผู้อื่นเหมือนคนตาบอดสอนคนตาบอดผมจึงเกิดความละอายใจที่จะสอนวิชานี้จึงอยากจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าผมยังสมควรจะสอนวิชาพระพุทธศาสนาต่อไปหรือไม่ครับ คือถ้าสอนตามตำราไปแล้วเราไม่ไปปรุงแต่งไปเสริมไปแก้ตำราก็ไม่น่าจะมีปัญหาถ้าเป็นตำราที่ถูกต้องถ้าคัดมาจากพระไตรปิฎกเราก็สอนไปตามที่ตำรามันก็ยังไม่เสียหายแต่ถ้าเวลาที่จะต้องขยายความอธิบายอะไรนี่เราต้องระมัดระวังว่าเรามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องหรือไม่ พราถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจก็บอกว่าไม่รู้ดีกว่าสอนไปตามตำรานี้ยังไม่ถือว่าเสียหายแต่ถ้าสอนนอกตำรานี้อาจจะเสียหายได้แต่ถ้าปฏิบัติมารู้ผลแล้วได้ผลแล้วนี่บางทีสอนนอกตำรานี้จะช่วยทำให้กระจางขึ้นขยายความได้อันนี้อยู่ที่ตรงนี้ ถ้าถ้าสอนไปตามลานี้ตามตำานี้ไม่เป็นไรสอนได้แต่ถ้าไม่รู้แล้วไปขยายความขึ้นมาว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้อาจจะทำให้เกิดความเห็นผิดได้เกิดโทษเกิดความเสียหายได้คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามถ้าเราถือศีลแปดมีปัญหาเรื่องผิวหนังแห้งทำให้คัน และมีเหงื่อออกก็ทำให้เกิดอาการแสบคันหากมีการใช้ครีมบำรุงหรือน้ำมันมะพร้าวหรือออยโดยเจตนาเพื่อบรรเทาปัญหาผิวหนังแห้งไม่ได้เพื่อบำรุงผิวเพื่อความสวยงามจะเป็นการผิดศีลข้อเจ็ดหรือไม่คะไม่ผิดหรอกถ้าใช้เป็นการรักษาร่างกายเมือกัการรลบประทานอาหารนี้รับประทานให้เป็นกิเลสก็ได้ คือรับประทานแบบอิ่มแล้วก็ไม่หยุดนี้หรือจูจ้จี้จุกจิกต้องเลือกอาหารอย่างนั้นเลือกอาหารอย่างนี้รับประทานแบบนี้ถึงแม้ว่าจะรับประทานก่อนเที่ยงวันไปก็ยังถือว่าเป็นกิเลสอยู่แต่มันไม่ผิดศีลเท่านั้นเองแต่มันก็ยังเป็นกิเลสนะงั้นเวลาที่เราต้องใช้อะไรมาเพื่อรักษาร่างกายนี้ ไม่ว่าจะเป็นยาแก้หวัดยาแก้ไข้ยาแก้โรคผิวหนังอะไรต่างๆก็ใช้ได้บดทาถามหดหพ่อได้เลยออทางนี้มาฮะทางนี้มาอดีะตัวมาถามเอคเย่ะอ <Okay. S 1> า ม, มาแล้วก็มาถามเอง <c oughs> <ๆ> <c oughs> กไงับกานมสการท่านพาระอาจารย์เถิดค่ะ <c oughs> <c oughs> ยมีคำถามเล็ก ๆ, ๆ, ๆน้อย ตอนนี้ตั้งแต่สมาธิตั้งแต่เดี๋ยวนี้มันเสื่อมมากแล้วมันก็มันก็รวมทุกครั้งนะคะ่ะตอนนี้มันแบบนั่งนั่งอยู่มันวูบอยู่นั่งตามเก้าอี้อย่างเงี้ยเพราะขาโยมไม่ดีแล้วก็เหมือนจะหมุนไปทั้งเก้าอี้เลยแต่ตัวก็อยู่เฉยๆแล้วก็นั่งได้ตั้งหลายชั่วโมงแล้วก็นั่งพอสมาธิออกแล้วมันก็ กระโดดไปทางโลกค่ะแล้วก็จากที่นั่งหมุนแล้วมันก็มาเป็นเหมือนเคริ้มๆหลับวูกไปเงี้ยแล้วก็มาเกิดเป็นสมาธิอีกแต่เวลาเสร็จแล้วก็ไปทางโลกแล้วยอมก็เข้าป่าก็เลยเข้าป่าไปสามวันไปอยู่ตามวัดป่าพอเสร็จแล้วพวกที่ ญาติธรรมทั้งหลายก็มีตั้งแต่คนที่ก็มีธรรมสูงสูงแล้วพอขํา ม, มาเขาก็ได้ไฟฉายคนละอันขึ้นไปตามเขาคนละคนละคนเลยแต่แล้วยมก็อยู่เขาปล่อยยมอยู่คนเดียวกลัวมากนะเจ้าค่ะกลัวมากช้างมันก็มาร้องกลัวมากไม่กล้านั่งภาวนาเแต่แล้วกลับมามันกลัวมากกว่าเก่าพอตอนนี้เพื่อนก็ชวนไปอีกจะไปน่ะเจ้าค่ะจะไปดีหรือไม่ไป กลัวจะกลัวแล้ววิ่งเข้าหนี้ปป่าไปเลย <c oughs> เพราะป่าสัตว์ยังเศร้าน่ากลัวมากค่ะเราก็ต้องศึกษาวิธีต่อสู้ของความกลัวต้องมีอาวุธแก้ปัญหานี้ถ้าไปแล้วไม่มีอาวุธแก้มันก็เดี๋ยวก็สติแตกได้เพราะะนั้ต้องหาฝึกฝึกบริกรรมพุทโธพุทโธไว้ให้ได้เวลาเกิดความกลัวขึ้นมาก็ให้สวดบริกรรมพุทโธไปอย่างเดียว อย่าส่งใจไปคิดถึงสิ่งที่ทำให้เรากลัวฝากเป็นฝากตายไว้กับความบริกรรมยอมตายเกิดมาแล้วต้องตายแต่ขอตายกับพุโทโธถ้าอย่างนี้แล้วมันก็จะหายกลัวเดี๋ยวเดีย ว, ยวจิตก็จะสงบแล้วต่อไปมันก็จะรู้ว่าความกลัวไม่ได้อยู่ที่ช้างอยู่ที่สัตว์แต่อยู่ที่ใจเราไปปรุงแต่งขึ้นมาเองพอเราหยุดความคิดปรุงแต่งได้ความกลัวต่างๆก็จะหายไป น, นก่อนจะไปอยู่ที่กลัวนี่เราต้องหาอาวุธไปฝึกใช้วิธีอยู่ที่บ้านลองฝึกบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆหรื อ, รอจะใช้อย่างอื่นก็ได้ใช้สวดบทอิติปิโสอัลังสัมมาไปก็ได้เวลาเกิดความกลัวก็สวดมนต์ไปอย่าไปคิดถึงสิ่งที่ทำให้เรากลัวถ้าเราไม่ไปคิดเดียวๆความกลัวก็จะหายไปแต่ปมืก่อนเนี่ยมันเคยแบบว่านั่ง นั่งสมาธิในเวลานั่งสักครั้งเดียวเนี่ยมันอยู่ได้สามวันนะคะมันเกิดปิติอยู่ทั้งสามวันแต่เตอนนี้หายแวบเลยนะคะมันเป็นอดีตไปแล้วไงอสติของเราที่เคยมีเนมันหายไปหมดแล้วเพราะเราไม่รักษามันเราไม่เหมือนการนดเติมน้ํามันเนี่ยเติมพนเดียวแล้จะวิ่งให้มันวิ่งไปรอบโลกได้ไงเดี๋ยวมันก็หมดน้ํามันหมดมันก็จอดไม่คอยเติมน้ํามันอยู่เรื่อยๆไม่หมั่นเจริญสติอยู่เรื่อย เอาแต่ใช้มันอย่างเดียวอพอไม่ไม่มีสติมาคอยเสริมเดี๋ยวความสงบก็หายไปหมดตกลงไปดีไหมจ้ะคะในป่าถ้าพร้อมก็ไปถ้ายังไม่พร้อมก็อย่าไปขาก็ไม่ถ้าเกิดไปเจอช้างก็วิ่งไม่ทันอ๋อไม่ให้ไปวิ่ง <c oughs> ให้ให้ไปตายเข้าใจไหมให้ไปตายให้ไปยอมตาย <c oughs> ให้ไปใช้พุโทโธ้ฝ า, ากเป็นฝาก <c oughs> ตายไว้กับพุโทโธ ถ้าคิดว่าไปแล้ววิ่งก็อย่าไปดีกว่าไ ป, ไปทําไมไปแก้ก็จะจําคําของพระอาจารย์ไม่พิงสู้ตายเออสู้ไม่ถอยหลวงตาบอกฮะเออดูมีคําพูดแค่นี้อาจายไม่ได้สู้กับเขาสู้กับใจเราสู้กับกิเลส เ, ลเราู ก, กิเลสอ่ค่ะตู้งอย่าจำเอาไวะะ้แล้วกันพุทโธนี่แหละใช้พุโทโธสู้กับมันอมีใครอีกไหมอ่ามา ขอถามคำได้ไหมทำไมเราห่างมันต้องสองวาแล้วตัวมันเท่านิ้วก้อยเล็กกว่านิ้วก้อยยังลอกโวยวายโอ้โหนี่ปฏิบัติไปถึงไหนวันนี้สติสตังไม่มีอะไรไหย เอขนาดคนก็นั่งอยู่ใกล้ๆเขายังไม่โวยวายเลยไอเรานี่ห่างอยู่เขาต้องสองวาร์ถาไม่มีคําถามแล้วนะดไหมมีไหมอ่าไปไม่ได้ไม่ได้ไ <c ười> คนอื่นข้างล่างไม่ได้ยินด้วยนัเสียดกาโยมอยากถามว่าการสวดมนต์กับใช้การสมาธิเนี่ยมันใช้เป็นอย่างเดียวกันได้ไหมคะ เป็ไงใช้สมาธิไหมก็ว่าโยมจะใช้เหมือนกันแบบมันก็โยมจะได้สมาธิจากการม น, น่ะคะ่ะการสวดมนต์ก็ได้ใช่ค่ะสวดม น, นต์แทนพุโทโธก็ได้แทนดูดลมหายใจก็ออกก็ได้ค่ะเหมือนกันแล้วโยมเป็นคนที่โดนอะไรมากที่สุดคือการให้คนให้รายเยอะมากแล้วทีนี้โยมคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งทดสอบใจโยมด้วยหรือเปล่าคะเป็นสิ่งทดสอบด้วยแล้วก็เป็นกรรมของเราด้วยเป็นวิบากของเรา ก็โยมควรทำยังไงดีคะ่ะก็อะไก็ทดสอบใจแล้วก็ทําใจเฉยยอมรับกรรมไปเหมือนศาลเ้าสั่งลงโทษจําคุกยี่สิบปีก็ต้องไปติดคุกยี่สิบปีตอนนี้กรรมเขาสั่งว่าต้องมารับผลนี้ก็รับไปแต่ตอนเนี้ที่โยมอยากถามคือว่าทําไมตอนเนี้ตั้งแต่ที่โยมเจอเรื่องได้เละมาแต่ทําไมจิตใจโยมเหมือนได้ยินอะไรแล้วทําไมโยมถึงเฉยไปเหมือนกับว่า ไม่สะทบทานกับสิ่งนั้นเลยก็มีธรรมไงมีธรรมมาแต่มีความสงสารเขามากกว่าเราอ่าก็แสดงว่ามีธรรมแล้วต่อไปโยมต้องทํายังไงก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆแผ่เมตตาก็ทําอย่างเงี้ยเฉยๆไปเรื่อยๆใครด่าก็เฉยอ๋อก็แสดงว่าสิ่งที่โยมโดนน่ะเป็นผลทดสอบธรรมะของโยมใช่ค่าดูว่ามีมีธรรมมากหรือเปล่าดูว่าเฉยหรือเปล่าก็ ก็เฉยอะค่ะมีความรู้สึกว่านเขาว่าเราแสดงว่าเขาไม่ดีกว่าเราการเฉยนี่เรียกว่าอุเบกขาอุเบกขาธรรมแสดงว่าโยมได้ผ่านตรงนั้นมาใช่ไหมก็ไม่รู้จะผ่านหมดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้โยมก็ภาวนาว่าขอให้หลุดพ้นก็ดูไปเรื่อยๆอาจจะยังเจอข้อสอบง่ายๆอยู่อแต่ตอนที่โดนโยมโดนครั้งสุดท้ายเนี่ยกับพระอาจารย์เลยนะคะอโยมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็โยมก็ไปถามพระอาจารย์ว่า ทำไมโยมถึงโดนแบบนี้ท่านก็บอกว่าโยมโยมอาจจะทําอะไรที่เกินกว่าเขาแม้แต่การนําสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยโยมก็แบบพระอาจารย์ท่านจะเชื่อใจในด้านการสวดมนต์นำคนสวดคือเสียงได้ทํานองได้อะไรเงี้ยค่ะถ้าโยมก็โดนอีกอแต่ตอนเนี้ยท่านก็บอกว่าให้วางไปแล้วก็ถ้าโยมจะมันจะมีอยู่สองอย่างให้โยมเลือกคือบุญกับบาปโยมจะเอาอะไรโยมก็เลือกถ้าเลือกบุญ ถ้าเลิกบุญโุงก็วางอ่าก็ถูกแล้ ว, วไงแต่มีใจโย ม, มาโยมไม่รู้ว่าโยจะทําได้มากแค่ไหนอะค่ะก็ทํามาได้ขนาดนี้ก็ทําต่อไปมันก็แบบเดียวกันนั่นเองวิธีทุกทุกอย่างก็เฉยมันไปเรื่อยๆใครเอาผัวไปก็เฉยใครเอาลูกไปก็เฉยให้<ต>มองว่าดีหมดทุกหมดสกหมดกังวลหมดทุกหมดโศกคค่ะยังก็แสดงว่าต่อไปเนี้ย โยมก็ต้องอปเฉยอีกเฉยอย่างเดียวเฉยกับทุกอย่างได้ก็จบเพราะเรารู้เราว่าเราไม่ได้ผิดแล้วเราก็รู้ว่าเราไม่ได้ทําอือย่างนี้ใช่ไหมคะใช่หรือแม้ทําก็เฉยยอมรับผิดอยู่ดีไม่ทําก็เฉยเฉยทุกอย่างทุกกรณีโยมมีความสงสัยว่าแล้วถ้าโยม จะว่าโยมเดินเข้าไปที่สถานที่ปฏิบัติอีกใช่ไห ม, มแล้วคนที่ว่าโยมอ่ะพระโยมจะเป็นทําให้เขาบาปกระโยมไหมคะไม่หรอกเขาบาปเองเขาทําบาปเขาก็ต้องรับผลบาปเองกระโยมควรอยู่ที่นั่งแล้วโยมต้องถอยออกไม่ต้องถอยละบาปมันอยู่ที่เขาเขาไม่ดา่าเราเขาก็ไปด่าคนอื่นแทนะ นั้นก็โยมก็อ่่่าไมใชเรื่องนต่อไปเผยแผ่พระลศาสนาต่อไปทำประโยชน์ต่อไปทําบุญต่อไปค่ะหยุเรามีหน้าที่เฉยอย่างเดียวก็แล้วกันออไม่โยมเกิดความสงสัยเอ๊ะปกติโยมจะต้องเป็นคนที่โกรธเขาแล้วด่าเขาแล้วาเงี้ยแต่โยหยุดทาไมความโกรธน่ะไม่เกิดขึ้นกับเราแล้วมันเป็นอะไรไปก็อาจารยังไม่แรงมัข้อสอบยังไม่แรงโอ้ก็แรงนะแรงมาก เอาแล้วนะหมดแล้วใช่ไหมถ้อาอย่อางนั้นคิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสดความเจริญก้าวหน้าในทรยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอาน